ชีวิตนี้ไม่ไระแวมเป็นครมหรือว่าประสบชะตากรรมมากมายเพียงใดแต่ว่าเราสามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอถ้าเรารู้จักมองไปข้างหน้าและเอาอาดีตที่ผ่านมาเป็นครูอดีตที่ผ่านมาแม้จะเจ็บปวดเพียงใดจะเป็นเพราะการกระทาของเราเอง หรือเป็นเพราะการกระทําของผู้อื่นมันสามารถจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้แต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นเราค่อยจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานหลายคนมีอดีตที่เจ็บปวดไม่ใช่แค่เจ็บปวดในอดีตแต่ว่ายังเอาอดีตนั้นเนี่ยมาทิท่งแทงทําร้ายตัวเองถ้าหากว่าเราทําเช่นนั้นเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เพราะว่าถึงแม้เราจะ ก้าวเท้าออกสู่อิสระภาพแต่ว่าใจิตใจของเราก็จะยังอยู่ในคุปตัวเป็นอิสระแต่ว่าใจยังอยู่ในคุกได้นะคุกที่ว่านเนี่ยมันก็คือคุปของอดีหลายคนเนี่ยแม้จะมีอิสระภาพไม่เคยเข้าเรือนจาแต่ว่าใจเขาเนี่ยมันอยู่ในคุกตลอดเวลา เพราะว่าเขาคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมาเช่นเจ็ดแท้งที่ถูกประทำย่ำยีหรือว่าเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียคนรักของรักหรือว่ารู้สึกผิดที่ได้ทําไม่ดีกับคนที่เคยกับคนรักไอ้ความแท้งความเศร้าโศกเสียใจและความรู้สึกผิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง มัน บ, บ้างมันจะกลายเป็นกรมขังที่ขังจิตใจเราเอาไว้ตัวเป็นอิสระแต่ว่าใจถูกจองจำด้วยเรื่องราวในอดีตถูกอารมณ์ต่างๆขังจิตขังใจเอาไว้พวกเราถ้าหากว่าตัวเป็นอิสระซึ่งจะเกิดขึ้นในอี ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยหากเรายังปล่อยให้จิตใจฝังจมอยู่กับอดีตเราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขเลยและชีวิตเราก็จะไม่สามารถจะเป็นชีวิตใหม่ได้มันก็จะยังกลับเป็นชีวิตเก่าที่วนเวียนซ้ําๆไม่ว่าเราจะเกิดผิดพลาดมาอย่างไรเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าปีที่ผ่านมาเราจะถูกประทําถูกชะตากรรมพัดพามาจนกระทั่งต้องมาลงเอยที่เลือนจำแห่งนี้แต่ก็อย่าไปตีอกชกหัวหรือว่าเครียดแค้นกลด่าชะตากรรมเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังได้ มันมีคนมากมายที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเรือนจำอย่างเรานะแต่ว่าชีวิตเขาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่แต่ตกับเรื่องราวในอดีตบางคนสูญเสียคนรักก็ทุกวันนี้ผ่านไปแม้เหตุการณ์ผ่านไปเป็นสิบปีก็ยังเศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันทำอะไรและมีผู้คนหนึ่งมีเขามีครอบครัวนะที่อบคุ่น แล้วก็มีสามีที่น่ารักดูแลใจใสครอบครัวแล้ววันหนึ่งสามีก็ป่วยทีแรกก็เลือกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็ลุกลามเร็วมากภายในเวลาแค่สี่เดือนเขาก็จากเธอไปเธอเสียใจมาก ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าสามีได้จากไปแล้วคุณคิดนึกถึงแต่สามีทุกเช้าเนี่ยเขาเธอจะทำอาหารให้สามีกินเอาจานนมาวางไว้บนโต๊ะตรงที่สามีเคยนั่งทุกวันก็จะโทรเข้าเบอร์เก่าของสามีเพื่อจะได้ฟังเสียงตอบรับทาง เรื่องจะได้ยินเสียงสามีสามีตายไปหลายปีแนละ้วใจเธอเื่อยังทำอย่างนี้กวานทุกวั น, นและคนและสภาพจิตใจเธอก็ไม่ได้มีความสุขแม้ว่าจะหลอกตัวเองว่าสามียังอยู่หรือว่ายังยอมรับต่อความเป็นจริงไม่ได้จิตใจที่ยังวนเวียนอยู่กับอดีตสมัยที่สามีเธ อ, อยมีชีวิตอยู่เนี่ยมันทำให้เธอเนี่ย ไม่สามารถจะมีชีวิตที่สงบสุขหรือว่าก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างคนที่ตัวเป็นอิสระแต่ว่าใจเนี่ยถูกจองจำอยู่ด้วยเหตุการณ์ในอดีตก เ, เราอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากนี้อาจจะเป็นความโกรธแค้นอาจจะเป็นความรู้สึกผิด แต่ว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ช่วยทําให้เรามีความสุขได้เลยมันก็จะกลายเป็นคุกที่ขังจิตใจเราไว้ทําให้เราไม่สามารถจะเริ่มต้นทิ่ใหม่ได้เหตุการณ์แน่ดีความทุกแน่ดีเนี่ยถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันก็เหมจะเป็นโซ่หรือคุกที่ขังเราเอาไว้แต่ถ้าเราใช้เป็น มันก็สามารถที่จะลุ้นส่งให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้าได้เช่นถ้าเราเอาความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนว่าเราทั้งพลาดเพราะอะไรบางคนอาจจะพบว่าเป็นเพราะอารมณ์ชั่วแล่นทำให้ต้องมาเสียเวลาอยู่ในที่นี้หลายปีแต่ถ้าเราสรุปบทเรียนแบบนี้ว่า ตอนิดพระก็อารมณ์ชั่วนั่นมันก็จะเป็นครูสอนให้เราเนี่ยมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็หนักแน่นขึ้นถ้าเราสรุปบทเรียนจะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นครูที่จะช่วยนำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้พวกเราคงรู้จักหมอวิสุทธิคุณเกษตรสันติแต่รู้จักไหมหมอวิสุทธิบุญเกษตสันติ หมอวิสุทธ์เนี่ยเคยเป็นหมอชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยของเอเชียก็ว่าได้ในเรื่องการทาเด็กหลอดแก้ไขที่ไม่มีลูกเนี่ยมาหาหมอวิสุทธ์นะก็มีความหวังว่าจะได้ลูกหมอวิสุทธ์เป็นอาจารย์แพทย์เป็นศาสตราจา ร, รย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งก็ ถูกจับกลุ่มถูกตัดสินบารชีวิตก็าหาค่าภรรยาจากคนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงมีเงินทองมีสถานภาพใครเห็นใครก็ไหว้ก็เป็นครูแล้ววันหนึ่งกลายเป็นนักโทษประหารรอวันตายแต่โชคดีที่ประพฤติตัวดี เพื่อตัวดีนี่มันไม่ใช่โชคนะมันต้องเป็นความตั้งใจเกี่ยนโชคดีก็ตรงที่ว่าเมื่อกระพื่ตัวดีแล้วก็จะรับระชารอพภัยโทษจากโทษประหารชีวิตก็เป็นจำทุกตลอดชีวิตแล้วถึงจากกระพื่อตัวดีก็ได้รับ ก, การลดโทษมาเป็นลำดับจนกระทั่งวันนี้นนได้ได้สละแล้วหมอพิสุทธิ์เนี่ยได้พูด เมื่อเร็วๆนี้นัมีนักสนนักข่าวไปสัมภาษณ์หมอวิสุทธิ์หมอวิสุทธิ์ก็ได้พูดถึงชีวิตแนอดีตและก็บทเรียนที่ได้รับเขาบอกว่าอดีตที่ผ่ามาเนี่ยแกะภาคไปอย่างนึนคือว่าสนใจแต่เรื่องการทำงานไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมในหัวเนี่ยมีแต่ ง, งานมีแต่ ง, งานสอนงานวิชาการ ไม่เห็นคุณค่าใม่เห็นความสําคัญของการคลองสติและการฝึกจิตใจแกเพิ่งมารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญกับวิชาความรู้แต่คนในศาสตราจารย์นั่นแตยอมรับว่าการคลองสติการฝึกจิตใจเนี่ยสำคัญกับวิชาความรู้เราคนเคยได้ยินคว่าความรู้เท่าหม้อโมโตัวไม่รอดแต่คุณหมอพิสูจน์เนี่ยก็คงคล้ายแบบนี้คือว่าความรู้เยอะแต่ว่า ไม่รู้จักคลองสติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ขึ้นก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยทำร้ายภรรยาจนติดชีวิตหลังสุดบอกว่าถ้าหากว่ากองหนุ่มเนี่ยรู้แบบนี้ก็คงจะไม่ปล่อยเวลาให้ลวมเลยไปก็จะสนใจปฏิบัติธรรมไม่รอให้ไม่รอให้แก่ึงค่อยมาสนใจ ยังดีถนะ้ที่หมอวิสุทธิ์มีโอกาสที่จะได้แก่เพราะว่าความโทษเดิมเนี่ยก็คือปการชีิตคือคือจะไม่ได้แก่ไม่ได้แก่ตายหมอวิสุทธิ์เนี่ยได้ได้สรุปบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตว่าความผิดพราดก็เกิดจากการที่ไม่สนใจเรื่องการครองสติไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตใจทําให้เกิดความวู่วายทาให้เกิดความโกรธแค้น ทำให้กระทาความผิดพลาดขึ้นมาตัว น, นี้หมอวิสุทธิ์เนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอดีตเคยเป็นนักโทษประหารแต่วันนี้ตารางเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสอวดดีพวกเราเนี่ยโทษของพวกเราเนี่ยตารางก็้าใจวาคงจะไม่ได้หนักเท่าหมอวิสุทธิ์แล้วเราคงจะติดคุกไม่ได้นานเท่าหมอวิสุทธิ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสมากกว่านะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผู้คนในโลกภายนอกเนี่ยเขาอาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือว่ายังมีอคติเกี่ยวกับผู้ที่เคยผ่านชีวิตในเรือนจําแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีโอกาสมากกว่า หมอวิสุทธ์นะก็หมอวิสุทธ์จะเป็นคนดังใครๆก็รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้คนอื่ได้วไว้ใจเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเราไม่มีคนรู้จักกว้างขวางเราก็สามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหมไ่ได้ง่ายกว้วยแต่ก็อยากให้พวกเราอดทนนะเพราะว่าคนที่ สังคมภายนอกเนี่ยอย่างเทตมาว่าก็ยังมีอคติกับคนที่เคยมีประสบการณ์อย่างพวกเราแต่เรายัมองว่าเป็นอุปสรรคนะถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรคเราจะท้อแท้เรารู้สึกว่ามันยากมนะที่กลับมาเป็นคนดีหลายคนเนี่ยตั้งใจนะออกไปแล้วเนื่องอยากจะเป็นคนดีอยากจะกลับตัวกลับใจ แต่พอพบ ว, ว่าออกไปสู่โลกภายนอกแล้วมันลำบากงานการก็หายากแล้วก็คนก็ดูหมิ่นนแคลนว่าพวกเราเป็นเคยติดคกุกเขาก็จะมองด้วยความไม่ไว้วางใจคนที่เจอปัญหาแบบนี้หลายคนก้อท้อแล้วก็หลายคนก็ตัดสินใจว่าในเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ ก็เป็นคนชั่วดีกว่าเอานี้ไม่ได้ก็มาเอาเด่นทางชั่วแทนเหมือนกับว่าถูกสังคมปลักไสให้ต้องกลับมาหรือต้องกลายเป็นคนชั่วตอนนี้ผมได้เห็นใจนะแต่จะมาเชื่อว่าข้างนอกเนี่ยมันยังมีโอกาสสังคมข้างนอกยังเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยสามารถจากเริ่องต้นชีวิตใหม่ได้ ถ้าเกิดเคยทำผิดทำพลาดมาก็สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แต่ว่าต้องใช้ความอดทนนะอย่ายอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้ง่ายๆและไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองเราด้วยความดูถูกด้วยความรำแรงอย่างไรอันนั้นแต่เราไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเนี่ยมองตัวเราเองอย่างไรถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ย่าแย่ ไม่ได้เรื่องอันนี้ตั้งตัวกว่าแต่ถ้าเกิดเรามองว่าฉันตั้งใจจะเป็นคนดีฉันตั้งใจจะปรับตัวกรับใจฉันตั้งใจจะเริ่มต้นคิดใหม่ไม่ว่าใครก็จะมองฉันอย่างไรฉันก็ไม่สนใจฉันจะพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอย่าดูถูกตัวเองนะเดี๋ยวต้อคุ้นค่าตัวเอง อย่าไปพว่าในเมื่อเป็นคนดีได้ยากก็ขอเป็นคนชั่วดีกว่าอันนี้แสดงว่าเรากำลังดูถูกตัวเองว่าเราเป็นคนดีไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าไปให้อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปอย่าเอาคุณค่าของเราเนี่ยไปผูกติดกับสายตาของคนอื่นสําคัญมากนะว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันไม่อยู่ที่สายตาของคนอื่น ใครเขาจะมองเราอย่างไรไม่สำคัญสิ่งสำคัญกว่าคือว่าเรามองตัวเราเองอย่างไรถ้าเราเห็นว่าเราเองมีคุณค่าถึงแม้เราจะผ่านประสบการณ์ที่ย่ําแย่เลวร้วายมาแต่เรามีคุณค่าตรงนี้แหละที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ใครก็จะมองเราอย่างไรหรือใครก็จะทำเราอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามองตัวเออย่างไรคุณค่าของเราอยู่ที่การกระทำของเราไม่ใช่สายตาของคนอื่นสำคัญนะคนหนึ่งเขาจะมองเราอย่างไรมันไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือว่าเราทำตัวอย่างไรมันมีคำพูดว่าดีช่วยทนะี่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะสูงต่ำได้ใช่เพื่อเขามองเราอย่างไรเขาจะมองว่าเราต่ำแต่นั้นไม่สำคัญสิ่งทั้งใั้นเพื่อเราทำตัวอย่างไรสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวถ้าเราทำความดีมีความเพียรพยายามเราก็จะอยู่สูงแต่ถ้าเราทำชัว่วเราดูถูกตัวเองเราก็จะอยู่ต่ำนะสูงต่ำไนมะ่ไม่ใช่อยู่ที่สายตาคนอื่นนะ เราจะสูงหรือต่ำเนี่ยอยู่ที่เราทําตัวอย่างไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกไปโลกภายนอกเนี่ยใครเขาจะมองเราดูถูกเราอย่างไรช่างเขาอย่าให้สายตางเขาเนี่ยมากําหนดคุณค่าของเราเพราะทุกวันนี้เนี่ยผู้คนมักจะไปโทษข้างนอกไปโทษคนข้างนอกมากไปโทษว่าเขาทําให้ฉันเป็นอย่างนี้ เราทำให้ฉันเป็นอย่างนั้นเวลาทุกข์ก็ไปโทษว่าคนนี้ทําให้ฉันทุกข์คนนั้นทําให้ฉันทุกข์ไปโทษเพื่อนไปโทษเจ้านายไปโทษแฟนหรือบางทีก็โทษ ด, ดินฟ้ากาไไม่มีใครทาให้เราทุกข์ได้นะนอกจากตัวเราเองอันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามือ ที่ไม่มีแผลถูกต้องยาพิษเทียงใดก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่ไปโดนยาพิษเท่ายาพิษมันก็ทําร้ายเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หมายความว่าอย่างไรนะครับว่าถ้าเราเป็นอะไรเนะี่ยอย่าไปโทษยาพิษต้องมาดูที่ว่ามือเรามีแผลหรือเปล่าตบมือข้างเดียวเสียงไม่ดังแปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าทากันถ้ า, ถามีคนฝ่ายเดียวมันก็ไม่เกิดผมเสียงจะดังได้เนี่ยต้องมีสองมือมีมือข้างเดียวตกเท่าไหร่ก็ไม่ดังความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจเราได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นคนนี้พูดไม่ดีกับเราครนั้นคนนี้มาทวทมร้ายเรา แต่มีที่ว่าเราวางใจงอย่างไรมากกว่าใครก็ด่าเราจะต่อว่าเราจะดูหมิ่นเราอย่างไรแต่ถ้าเราไม่สนใจเราก็ไม่ทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรที่เราปวดเพราะอะไรนะ่เพราะว่าเราเราไปยึดมั่นถึงมั่นกับคำพูดของเขาเขาพูดผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังเจ็บออกมา ที่แทงซ้าเติมจิตใจเราแก้วเนี่ยนะถ้าเราวางไว้บนมือเนี่ยมันทำอะไรเราได้มั้ยเสร็จแก้วหลแหลมหรือใบมีดโกนเนี่ยวาไว้บนมือเนี่ยมันทำอะไรเราได้มั้ยแต่ถ้าเกิดเรากรรมมันเมื่อไหร่แล้วมีเป็นไงมันก็จะบาดมันก็จะแทงเาะคพูดของคน ของใครก็ตามนี่มันเหมือนกับเศษแกะหรือว่าใบไม้ปลอถ้าเราไว้บนมือเฉยไม่เป็นอะไรใครพูดอะไรมาเราไม่สนใจเราก็ไม่ฟุ้แต่ถ้าเกิดเราไปยึดมัน่นถือมัน่นไปพุ้นนึกคุ่นคิดอยู่กับคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเนี่ยกรรมดีกรรมดี เศษแจ้หรือว่าใบามีดมันก็ต้องบาดมือเราเฉือนมือเราเนเวลาถ้าตัวว่าเราเจ็บเราปวดตัวเลื่อไหเนี่ย๋ยวไปโทษใบมีดนะม า, าต้องถามตัวะไรว่าแล้วเราไปกรรมมันไมเราไปีมันไมใหความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมากเท่ากับเกิดจากใจของเราเราวางใจไม่ถูกเราปล่อยวางไม่เป็น ไม่มีใครทําให้เราทุกได้นะถ้าใจเราไม่อินยอมไม่มีใครขโมยความสุขปจากใจเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นฟังดีๆนะไม่มีใครทําให้เราทุกได้ถ้าใจเราไม่อินยอมหรือไปร่วมมือกับเขาด้วยไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้ถ้าเราไม่ร่วมมือหรือไม่อนุญาตมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็น เป็นฝรั่งนัเป็นพระมาบวชในเมืองไทยด้วยผู้ภาษาไทยได้ชัดคืออาจารย์แชฟาโร่ท่านพูดว่าเนี่ยไม่มีใครหรืออะไรเนี่ยมาบังคับให้เราทุกได้ทําได้อย่างมากคือมาชวนให้เรามาชวนให้เราโปรดมาชวนให้เราไม่พอใจเขามาเชิญเราไม่รู้เท่าเราจะรับคําเชิญหรือเปล่าและถ้าเรารับคําเชิญนี่เราจะโทษใครนะเสียงที่ดังกาศที่ร้อน คำต่อว่ า, าด่าทอเนี่ยมันเพียงแต่มาชวนให้เราไม่พอใจแต่มาบังคับให้เราทุกไม่ได้เมื่อมาชวนแล้วเรารับคําชวนไหมเราก็มีสิทธิ์รับไม่รับคำชวนก็ได้แต่ถ้าเรารับคําชวนคําเชิญเนี่ยจะโทษใครเพราะฉะนั้นเนี่ ย, ยสิ่งสําคัญนะก็คือนใจของเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อยู่ที่การกระทำของคนอื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเ็าจะมองพวกเราอย่างไรไม่สำคัญทั้ว่าเรามองตัวเองอย่างไรถ้าเราดูถูกตัวเองเราเห็นว่าเราเป็นคนแย่เป็นคนที่ไม่มีความสามารถเอาดีไม่ได้อันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่ถ้าเรา มีความมั่นใจตัวเองว่าเราสามารถจะเป็นคนดีได้ใครเขาจะดูถูกอย่างไรดูถูกเราอย่างไรไม่สำคัญเราก็ยังสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่นี่มาเริ่มต้นได้เนี่ยด้วยการที่เราเพยายามทำความาดมยยามีมีความเพียรพยามีความอดทนใครเขาจะมองเราอย่างไรใครเขาจะทำกับเราอย่างไรไม่สําคัญทั้กเพะว่าเรา มองตัวเราอย่างไรและเราวางจิตวางใจอย่างไรตรงนี้สําคัญกว่าการวางจิตวางใจนะหมายถึงอะไรเช่นการมีสติอดทนอดกลั้นใครก็จะพูดกับเราอย่างไรเขาก็จะมองเราอย่างไรเราก็ได้หลัไหวอดทนต่อคําพูดอดทนต่อการกระทำ เราก็สามารถจะทำสิ่งยากให้สำเร็จได้อย่าปล่อยให้ชื่อเราเนี่ยตกอยู่ในกำมือคนอื่นนะถ้าเราปล่อยชื่อตไว้ตกอยู่ในกำมนะือคนอื่นเนี่ยเราก็จะกลับตัวกลับใจมีชื่อใหม่ไล้ยากเราต้องมีในเมื่อเราได้รับอิสรภาพแล้วเนี่ย ใจเราต้องอิสระ ด, ด้วยอิสระจากการกระทาของคนอื่นใครเขาจะทำไม่ดีกับเราอย่างไรก็ปล่อยเขาไปอย่าเอาการกระทาของเขาเนี่ยมาลงโทษตัวเราเองใครเขาจะมองเราดูถูกเราอย่างไรก็ช่างเขาแต่เราก็จะตั้งนาต่างๆทาความดีและีิสู่ตัวเองต่อไป อันนี้เป็นหน้าที่อย่างหน่ของเรานะคือการพิสูจน์ตัวเราเองและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเขามองเราแบบอูถูกเนี่ยถ้ามองให้ดีก็ตัอว่ามันเป็นตัวสร้างกระตุ้นให้เรามีความมานะพยายามเขามองว่าเราเป็นคนขี้คุ้แทนที่เราจะตรวจเข้าเราก็มองว่าเนี่ยเราจะพิสูจน์ให้เราเห็นให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่เคนอย่างที่เขาพู่ เอาความประมาาของเขาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความเพียรพยายามคนฉลาดเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่ายิ่งศระมาทยิ่งคนถึงประมาาเรามาเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งเกิดความเพียรพยายามที่จะพิสูจน์ให้วก็เห็นว่าเขามองเราผิดเขาเข้าใจเราผิดเขาก็มองว่าเขาตาว่าว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทุกแล้วเราก็เลยปล่อยตัว ปล่อยใจไปตามยถากรรมก็เท่ า, ากับเรากลังบอกว่าเขาพูดถูกหน้าที่ของเราคือต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาพูดผิดเขามองเราผิดนันนี่คือนี่คือสิ่งการบ้านอย่างแรกๆนะที่เราจำเป็นต้องตระหนักตัวว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขา มองเราผิดขเขาเ้าใจเราผิดพิสูจน์ได้อย่างไรพิสูจน์ด้วยการทำความดีพิสูจน์ด้วยการาความาาความเพียรพยายามอดทนต่อคำพูดไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่ามันจะยากลา บ, บากแค่ไหนอาตมาเชื่อว่าพวกคุณทําได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในนี้เนี่ยในเมื่อผ่านผ่านชีวิตในเริ่องจำมาเนี่ยซึ่งมันยากลา บ, บากนี้คุณก็ผ่านมาจนถึงวั น, นี้ได้ ข้างนอกเนี่ยมันสบายกว่าเยอะคุณผ่านมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยสแสดงว่าพวกคุณจะมีความสามารถที่จะผ่านความยากลำบากในโลกข้างนอกได้มันอยู่ที่ใจของคุณเนี่ยว่าใจสู้หรือเปล่าหรือว่าเขาพูดไม่ดีคําแล้วก็ท้อแท้แล้วยอมแพ้แล้วเป็นคนดีไม่ได้เราอยู่กูเป็นคนชั่วดีกว่าไอ้แสดงว่าเราเนี่ยอ่อนแอใจไม่สู้ มันอยู่ที่ใจเรานะไม่อยู่ที่คำพูดของคนอื่นค็พูดของคนอื่นไม่มีความหมายเลยถ้าใจคุณสู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปให้ค่ากับคำดูถูกคำต่อ ว, ว่าของคนข้างนอกหรือองค์คนรอบตัวจ้องให้ค่ากับการกระทำของตัวเองอย่าลืมหนะ้าดีช่วยอยู่ที่ตัวทานะ สูงต่ำที่ทำตัวไม่ว่าคุณจะผิดพลาดมาอย่างไรเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและสิ่งที่ต้องเริ่มต้นคือการเคารพตัวเองไม่ดูถูกตัวเองและความเชื่อมั่นว่าความดีหรือธรรมะจะ ร, รักษาคุ้มครองพวกเราได้คุณเจ้ากล่าวว่าทมยอมนักษาผู้ประพฤติธรรม รรมากคือความดีความดีนี่เขาใช่ได้แก่การมีสีไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ลราเนการฝึกใจมีความเข้มแข็งมีความอดทนรู้จักคลองสติฝึกจิตฝึกใจเสมออย่างที่หมอวิสุทธิ์ได้พูว่าเนี่ยในการคลองสติการฝึกจิตใจเนี่ยมันสำคัญกว่าวิชาความรู้สิมีความรู้มากแต่ว่าไม่มีสติวู่วามโกรธง่ายคลายแพ้ต่ออารมณ์ ก็อาจจะมาจบลงในคุกก็ได้แต่ถึงแม้วิชาความรู้จะน้อยแต่มีการฝึกจิตฝึกใจมีการคองสติอดทนชีวิตเราก็สามารถเจริญก้าวหน้าได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในในเรือนจำกำแทงร้อมรอบแต่รู้สึกว่าหลายคนคงจะรู้สึกว่ามันทุกข์มันลำบากแต่คุณก็อาจจะเคยสังเกตว่า มันก็มีบางช่วงหรือว่าหลายขนาดที่จิตใจเราเนี่ยสามารถจะเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าตัวในคุกแต่ว่าใจก็เป็นสุขได้เรื่ี่เ็นไครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ ย, ยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันครับที่เขาสร้างมาเพื่อรองรับคนเก้าร้อยคนแต่ว่าตัวนี้อยู่กันสามพันคนครับที่แต่ว่าถ้า ใจเนี่ยนะมันไม่ทับแทรก็สามารถจะมีความสุขได้คนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ได้ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนอื่นก็ทําำกาพูดกับเราอย่างไรในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอำมาตย์คนหนนะถูกจับเข้าคุสมัยพุทธกาลเมื่อสามรยหกสิปีนี่มันลาบากมากแต่ปรากฏว่าอํามาตย์คนนั้นเนี่ย ทั้งนนั้นที่ถูกจับเข้าคุกด้วยความไม่เป็นธรรมถูกกานแกล้งแต่จิตใจก็ไม่ได้ถูกด้วยเลยไม่มีความขับแฉกให้อภัยคนที่จับตัวงเข้าคุกให้อภัยคนที่ปัดใยไร่ป้ายสิ่งวเองแล้วก็ใช้เวลาในคุกเนี่ยนะเจริญสติทําสมาธิตอกโกรธว่าสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ในคุกนะ สามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือพระอริยเจ้าได้ท่านนั่นแหคุกเพราะว่าคุกเนี่ยมันขังได้แต่ตัวแต่มันขังใจไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะขังใจเราได้นะั้นนอกจากเราทําตัวเองคุกก็ขังใจไม่ได้อะไรแล้วก็ขังจิตใจเราไม่ได้เพราะเห็นนี้แหละที่ทําให้ธรรมหาดพูดนั้นเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้า เห็นใจเราสาคัญว่ากปลอใยใจเราสู้ปอใยใจเรามีความมั่นคงในธรรมะปอใยใจเรามีความอดทนรู้จักปล่อยรู้จักวางอดีตผ่านไปแล้วก็ช่างมันหรือไม่ก็เอามาเป็นบทเรียนชีวิตใครจะไปรู้นะอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเมื่อย้อนกลับมาถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ในคุกเนี่ยเราอาจจะขอบคุณก็ได้นะขอบคุณช่วงชีวิตที่ยากลำบากในคุก หรือว่าอาจจะพราว่าโชคดีที่ติดคุกก็ได้มันมีหลายคนนั่นที่เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่พราจจะอะไจากเหตุการณ์ผ่านไ 4, ปสีห้ปีคนเรานั้นได้บอกว่าขอบคุณมะเร็งหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยทำให้เขาได้พบธรรมะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากคนที่เอาแต่ทำมาหากินสะสมเงินทองหรือไม่ก็เที่ยวแต่สนุกสนานเขาได้มาพบธรรมะ เพราะว่าพอรูกก้ว่าตัวเองเนี่ยใกล้จะาตายมีความทุกข์มากก็เลยเข้าเข้าหาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะ ก, ก่อนตอนแล้วก็ฝึกปฏิบัติตทำเจริญสติธทมสมาธิและพบความสุขก็เลยอุทัยขึ้นมาว่าขอบคุณโรคมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งคนที่พูดคำ น, นี้เนี่ยเขาลำบากกว่าเราเนะเพราะว่าเขาเนี่ยโอกาสที่จะหายจากมะเร็งเนี่ยยากมาก พวกเราเตียติดโคโรนีมีมันออกแล้วก็กังจะใกล้จออกล่าจะไม่กี่ชั่วโมงแต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นแล้วตายนะไม่ใช่จะรักษาหายท่า น, นที่มะเร็งเนี่ยจะทําให้เขาตายแต่หลายคนก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทําให้เขาได้มาพบธรร ม, มะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องลำเรื่องยากจะเป็นไปไม่ได้ที่พวพวกคุณเนี่ย เมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปีข้างหน้าย้อนกลับมาถึงวันนี้ก็อาจจะบอกว่าโชคดีที่ติดคุกก็ได้หรือว่าขอบคุณความย้างละหมาดในคุกก็ได้เพราะว่ามันด้ช่วยสอนให้คุณเนี่ยเข้มแข็งอดคนหรือทำให้คุณเนี่ยกลับตัวขังใจถนดพพัดองค์คุลิมานเนี่ยฆ่าคนไป999คนรู้จักองค์คุลิมาใช่ไหม ก็ยังสามารถที่จะกลับตัวกลับใจโจนกรทั่งกายเป็นพระอารหันต์ได้เป็นพระอารหันต์เลยเชนทีเดียวนะจะว่าไปถ้าไม่เป็นโจรก็คงมไม่ได้พบคุณเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าองคุลิปมาเนี่ยจะทําบาปไปเยอะแต่ว่าเมื่อได้สุดปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์เป็นพระอารหันต์ไอความคิดที่เคยทำเอาไว้มันก็เรียกว่าเป็นโหสิก พวกเราเนี่ยทาความผิดน้อยกว่าองค์กรี ม, มารเยอะทำความผิดน้อยกับองค์กรี ม, มารเยอะห่างไกลาจากความผิดห่างไกลาจากพระองค์ห่างใจองค์กรมารมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ใช่เรื่องยากและเราสามารถจะเริ่มต้นได้อย่างมีความสุขยิ่งกว่าเดิมก็ได้ถ้าเราเอาอาดีตเป็นบทเรียน เอาความผิดพลาดเป็นครูให้ตระหนักวันใจของเราสำคั ญ, ญยิ่งกว่าอะไรอย่างอื่นถึงแม้ออกไปข้างนอกจะหางานทำได้ยากถึงแม้คนก็จะดูถูกเราแต่ขออย่าเดือดร้เราอย่าท้อใจเราอย่าแพ้พยายามเชื่อมั่นในความดีศรัทธาในพระธรรมที่ว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผูง้กระพฤตธรรมแม้จะใช้เวลาแม้จะยากแต่ในีสุดเราก็จะ มีชีวิตที่สุขสวัสดีได้สามารถที่จะมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าได้สามารถที่จะมีความสุขได้อย่าไปคิดว่าเงินทองจะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเนละหลายคนมาที่นี่ก็อาจจะคิดว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นมันเป็นสาระมันจะให้ความสุขกับเรา แต่ที่จริงแล้วความสุขที่ทยัอยู่ที่ใจเรามากกว่าถ้าเรารู้จักพอเพียงรู้จักสันต์โพอใจสิ่งที่มีกินดีสิ่งที่ได้แม้จะมีเงินน้อยก็มีความสุขสุขเพราะได้ทาําความดีสุขเพราะรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟือ้อในทางตรงค่ามแม้จะมีเงินเยอะแต่ว่าอาจจะอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ได้ คนที่ไปโกงเงินเข้ามาหรือคนที่ไปปล้นจี้ได้เงินมาเยอะแยะคนเรานี่ไม่ชอบมีความสุขนะมีเงินมากแต่ว่าใจที่ทุกแต่นทางตรงข้ามคนที่มีเงินน้อยนะแต่ว่าทําความดีมั่นใจในความดีของตัวและรู้จักพอใจในสิ่งที่มีดีสิ่งที่ได้เราจะมีความสุขได้มากกว่าพวกเราถ้าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย อยากใหรู้จักความสุขชนิดนี้มากๆความสุขก็ได้ทําความดีความสุขก็ได้เสียสละความสุขต้รูจักทําสมาธิรู้จักเจริญสติแม้อยู่ในคุกก็สามารถจะมีความสุขได้ที่บางขวางเนี่ยบางขวางนี่ก็มีเขมีแดนนะแดนแดนประหารนะเป็นนักโทกษเด็ดขาดที่ ตัดสินประนันชีวิตคนพวกนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารอบันตายนะดูอย่างทุกขรมานแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการชักชวนให้นักโทษเหล่านี้เนี่ยได้ปั้นพระมีการเชิญอาจารย์ จากคณะศิลปากรมาที่เดือนจําแล้วก็มาสอนวิธีการปั้นพระสอนประมาณ7เดือนนะเริ่มตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งสามารถเทปันพระได้สวยงามโครงการนี้ชื่อว่าจากมือที่เพื่อนบาเป็นมือที่ปั้นบุญชื่อน่าสนใจนะจากมือที่เพื่อนบา เป็นมือที่ปั้นบุญไอ้มือเนี่ยนะมือที่ที่ทำบาปเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมือที่ที่สร้างพระได้สางสวยงามมากแล้วก็สร้างเสร็จแล้วนะั้นอาตมาเสียดายไม่ได้ไม่ได้ขายรูปเอาเอารูปมาให้ดูแล้วก็รูปพระเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะออกไปอัญเชิญไปประดิษฐานตามวัดต่างๆ ถ้าโทษนี้เนี่ยเมื่อได้มานปั้นใต้ปั้นพระแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาได้มีโอกาสที่จะทําความดีได้สร้างบุญสร้างอุญสุขเพราไม่รู้เขาจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าการที่เขาได้ปั้นพระมันทำให้เขามีความสุขและความสุขเขานเนี่ยมันแสดงออกจากภาพใบหน้าของพระ เ, เจ้า เรียกพระพรกพระพักของพระเจ้าที่เขาปั้นเนี่ยแต่ละองค์แตละงเนี่ยเป็นพระพักที่แสดงถึงความสงบนักโทษเนี่ยที่รอวันประหารเนี่ยนะเขาสร้างเขาปั้นพระที่สงบแล้วก็มีเมตตาได้เนี่ยมันก็แสดงว่าจิตใจของเขาเนี่ยนะมันก็เป็นจิตใจที่มีความสงบด้วยการที่เได้ทําบุญด้วยการปั้นพระเนี่ย มันทำให้เขาเมีความสุขเป็นสุขที่เกิดจากการทำบุญเป็นสุขที่เกิดจากการทำควา ม, มดีอาตมาเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถจะมีความสุขแบบนี้ได้สุขเมื่อได้ทำความดีสึกมุกสุขเมื่อได้ทำบุญถ้าเราได้เจอความสุขแบบนี้เนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ยวัตถุเนี่ยมันจะมีความหมายน้อยลงบางคนอาจจะติดพวกเขาว่าไป เห็นเงินเห็นทองเห็นสิ่งสมบัติเหล่านี้เป็นสารณะหรือเป็นพระเจ้าเขาคิดว่าความสุขเนี่ยมันจะได้มาจากสิ่งเหล่านี้แต่ตะมาเชื่อคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้ว่าความสุขมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่า น, นี้สุขที่ได้เกิดจากการทําความดีสร้างหุญสร้างสุขที่เกิดจากความรู้จักกอใจในสิ่ง ต, ตมาเขาใช้เวลาพอสมควร